พุทธวัตสวัสดีค่ะท่านฟังคาะท่านมาถึงช่วงเวลาของรายการสรรสนีสนทนากันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 แห่งนี้ค่ะพุทธวันสวัสดีหมายความว่าทุกอย่างที่เป็นคำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าพุทธวัจนะนั้นถ้าหากว่าน้อมนำเอาไปประพฤติปฏิบัติตามแล้วชีวิตของท่านจะพบกับความสวัสดีและพุทธวัจนเหล่านั้น ท่านจะพบได้อย่างเป็นล้ำเป็นสันนะคะในรายการนี้ค่ะซึ่งเริ่มกันตั้งแต่ตอนต้นของรายการกับพระมาร์ชาคาวโรวัดนาป่าพงลำลูกกาคลองสิบด้วยกันเลยค่ะน้มสักการะท่านคะ่ะเจริญพรวันนี้ต่อคะ่ะท่านคะ่ะวันนี้เราก็มาประพฤติปฏิบัติทำความเพียเพรเผากิเลสด้วยการเจริญอาณาปณสติกันต่อพร้อมกับฟังพุทโธชนะคาสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า ถ้าพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันได้เลย <c oughs> ด้วยการเจริญอานาปานสติมีสติรู้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้ายาวออกยาวรู้เข้าสั้นออกสั้นรู้หากจิตหลุดไปคิดในเรื่องใดก็ตามก็ให้ความคิดนั้นเสียละวางความคิดนั้นที่เรียกว่าละนันทิแล้วมาตั้งสติไว้อยู่กับลมหายใจ หรืออิริบทอื่นๆของร่างกายสำหรับวันนี้จะให้ฟังพุทธวจนะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงเรื่องขันห้าไว้ mm hmm. ท่านตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งใดมิใช่ของพวกเธอเพื่อพวกเธอจงละสิ่งนั้นเสียสิ่งนั้น อันพวกเธอละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่พวกเธอเองตลอดกาลนานภิกษุทั้งหลายก็สิ่งใดเล่ามิใช่ของพวกเธอภิกษุทั้งหลายรูปมิใช่ของพวกเธอพวกเธอจงละรูปนั้นเสีย รูปนั้นอันพวกเธอละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อเพื่อประโยชน์สุขแก่พวกเธอเองตลอดกาลนานภิกษุทั้งหลายเวทนามีใช่ของพวกเธอพวกเธอจงละเวทนานั้นเสียเวทนานั้น อันพวกเธอละได้แล้วจากเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่พวกเธอเองตลอดกาลนานภิกษุทั้งหลายสัญญามีใช่ของพวกเธอพวกเธอจงละสัญญานั้นเสียสัญญานั้นอันพวกเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่พวกเธอเองตลอดกาลนานภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีใช่ของพวกเธอพวกเธอจงละสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเสียสังขารทั้งหลายเหล่านั้นอันพวกเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่พวกเธอเองตลอดกาลนานภิกษุทั้งหลายวิญญาณมิใช่ของพวกเธอพวกเธอจงละวิญญาณ น, นั้นเสียวิญญาณ น, นั้นอันพวกเธอละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข แก่พวกเธอเองตลอดกาลนานพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรคือข้อที่ย่าไม้กิ่งไม้และใบไม้ใดๆมีอยู่ในเชตวันนี้ เมื่อคนเขาขนเอามันไปก็ตามเผาเสียก็ตามหรือกระทำตามความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามพวกเธอเคยเกิดความคิดอย่างนี้บ้างหรือไม่ว่าคนเขาขนเอาเราไปบ้างเขาเผาเราบ้างเขาทำแกเราตามปรารถนาของเขาบ้างดังนี้ เพศสุทั้งหลายได้ตรอบว่าข้อนั้นหามิได้พระเจ้าค่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่านั่นหาได้เป็นตัวตนหรือของเนื่องด้วยตนของข้าพระองค์ไม่พระเจ้าค่า ผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสตอบว่าภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นคือสิ่งใดมิใช่ของพวกเธอพวกเธอจงละสิ่งนั้นเสียสิ่งนั้นอันพวกเธอละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่พวกเธอเองตลอดกาลนาน ดังนี้แหลดังนั้นพระผู้มีพระภาเจ้าได้ตรัสให้เราละวางความพอใจในขัน์ทั้งห้าเสีย <c oughs> เพื่อที่ว่าเราจะสามารถทำจิตของเราให้หลุดพ้นได้ <c oughs> สำหรับวันนี้เราก็ปฏิบัติมาได้สมควรแก่เวลา ใครอยากจะออกจากสมาธิก็ทําได้หรือใครอยากจะอยู่ในสมาธิเพื่อฟังช่วงถัดไปต่อก็ทําได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาประพฤติปฏิบัติทำความเปลี่ยนเพาแคลเซตพร้อมกับฟังพุทธวจนะกันต่อสําหรับวันนี้ก็พอเพียงเท่านี้ก่อนค่ะคงจะกลับเรียนถามท่านทิ้งท้ายเอาไว้หน่อยนะคะว่าพุทธวจนะที่ท่านได้นําเอามาฝากให้กับท่านผู้ฟังตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาเรื่องเกี่ยวกับขันห้า ก็ว่ากันไปตั้งแต่การทำให้เราเข้าใจว่าขันทั้งห้านั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราก็ไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วก็เหมือนกับว่าเชื่อมโยงกันถูกไหมคะพอมาถึงตอนนี้ก็เลยให้เห็นชัดๆว่าในเมื่อไม่ใช่ของเราเนี่ยเราละเสียวางเสียใช่ถูกต้องอย่างนั้นนะคะท่านฟังฟังแล้วใคร่ครวญถ้าหากว่าท่านบอกว่าโอ้ฟังผ่านไปจาไม่ได้ใคร่ครวญไม่ทัน มีหนังสือนะคะเดี๋ยวจะเรียนให้ทราบในช่วงท้ายกันแล้วกัน น, นะคะคงจะต้องให้ฟังกันต่อไปในวันพรุ่งนี้ติดตามไปเรื่อยๆปัญญาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวันนี้ก็นมัส ก, การขอบพระคุณประมาชาคาวโรยณโอกาสนี้นะคะขอบพระคุณท่า น, นะค่ะเจริญพร